ก็ความในมหาปรินิพานสูตรครั้งนี้เป็นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะดับขันธ์ปรินิพานหรือว่าเป็นตอนที่พระองค์จะปลงพระชนมายุสังขารนั่นเองในข้อ94หน้า275ครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบง ทรงถือบาทและจีวรแล้วสเสด็จดำเนินเข้านครเวสาลีเพื่อบินทบาตทนะนะครั้งสเสด็จดำเนินเพื่อบินทบาทในพระนะครเวสาลีแล้วสเสด็จ ก, กลับจากบินทบาทในเวลาปัจชาภัทคือหลังจากอาหารเสร็จเ น, ะนะี่ยนะพระองค์ก็ทรงมีพระดํารัสกับท่านพระอนุว่าดูก่อนอนุนเธอจงถือนิสีธนะผ้าที่รองนั่ง เราจกเข้าไปยังปาวานเจดีกันเถิดท่านพระนนก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วก็ถือนิสสีธนะคือเป็นผ้าปูนั่งนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปโดยเบื้องพระปิษสดาร์หรือว่าติดตามไปข้างหลังครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินเข้าไปยังปาวานเจดีคำว่าปาวานเจดีก็คือเป็นเป็นวัดนะนะหรือเป็นวิหารที่หนึ่ง อเป็นที่บำเพ็ญสมถะวิปัสนาของพระพิสุทั้งหลายเมื่อพระองค์ไปถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูเอาไว้แล้วแม้ท่านพระนนก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งอยู่ณด้านหนึ่งของเราเนี่ยนะแหมเที่ยวติดตามไหวพ้พระพระธาตุไหว้อะไรต่างๆถ้าเทียบกับพระนนท์เนี่ยพระานนท์เนี่ยท่านมีทัศนานุตรยะมากอะนะท่านก็เห็นวันหนึ่งท่านกราบท่านไหว้หลายครั้ง เจริญพุทธานุสติเป็นต้นน่ยน ะ, ะเมื่อพระองค์ประทับนั่งทานนกราบกราบถวายบังคมเนี่ยนะเสร็จแล้วพระผู้องค์ก็ได้ตรัสกับท่านท่านนซึ่งนั่งอยู่ณด้านหนึ่งดังนี้ว่าดูก่อนอนล น, นครเวสาลีเนี่ยเป็นที่รื่นรมอุเทนเจดีก็เป็นที่รื่นรมโคตมะกะเจดีก็เป็นที่รื่นรม น่ารื่นรมประวัตหน้าเพลิดเพลินก็คือหน้าอยู่นั่นแหละสัตตมพระเจดีก็เป็นที่รื่นรมพรหุปุตตะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสารันทะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปาวานเจดีก็เป็นที่รื่นรมดูก่อนอนุนผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาศีทําให้มากทําให้เป็นประหนึ่งญาณทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งอาศัย ตั้งเอาไว้เนืองๆ อ, อบรมแล้วปราลบด้วยดีโดยชอบเราก็บอกทำให้ทำให้มากแล้วเนี่ยนะทำให้บ่อยๆทําให้ชํานิชํนานา น, นให้คล่องแคล่วดูก่อนอนุนผู้ที่มีความชํมนานาญในอิทธิบาทนั้ น, นเมื่อปรารถนาก็พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่าอนุภาพของอิทธิบาทนั้นทําให้สามารถดํารงอยู่ตลอดกับ คือตลอดอายุไขหรือเกินกว่าอายุไขก็ได้หรือสามารถที่จะอยู่ตลอดมหากัป ก, ก็ได้ด้วยอนุภาพของอิทธิบาทเนี่ย น, นะดูก่อนอนนตทาคตแลวได้เจริญอิทธิบาทสี่แล้วได้ทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นประหนึ่งยาณแล้วได้ทำให้เป็นหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนืองๆแล้วอบรมแล้วปรารบด้วยดีโดยชอบแล้ว ดูก่อนอ น, นุตตะถาคตนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับนี่นะอันนี้อนุภาพของอิทธิบาทนี่นะอนุภาพของอิทธิบาทว่าอิทธิบาทที่บุคคลเจริญกระทำให้มากเจริญเป็นอย่างดีเนี่ยจนชำนิชำนาญคล่องแคล่วผู้ใดก็ตามถ้าทำอนุภาพของอิทธิบาทเนี่ยทำให้ผู้ที่เจริญเนี่ยดรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับ เสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานนัยให้แก่พระอานนท์ว่าพระองค์นะถ้าพระองค์ประสงค์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เจริญอิทธิบาทถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยพระองค์สามารถกระทําอยู่คือพระองค์สามารถทําให้พระองค์เนี่ยอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทํานิมิตหยาบนะนิมิตที่หยาบทรงทําโดยโอภาหยาบอย่างนี้แล ท่านท่านนก็ไม่สามารถรู้ได้ไม่รู้ความประสงค์เลยปกตินี่ท่านท่านนฉลาดมากปกติเนี่ยคําพูดหนึ่งคําพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้ยท่านคิดได้เป็นพันในท่านมองออกเลยว่าคําเนี่ยควรจะขยายได้กี่นัยยะกี่แง่กี่มุมรอบด้านขนาดไหนแต่วันนั้นเกิดไม่เข้าใจขึ้นมานะเพราะมารแท้ๆเลยนะมานนี่เข้ามาสิงมานี่ยสิง คือคือมาเนี่ยจะว่าสิงก็ไม่เชิงอ่ะนะมาเนี่ยทำให้พระนนคิดเรื่องอื่นเลยไม่ได้สนใจฟังเท่าที่ควรจะเป็นหมายคือว่าเหมือนอย่างว่าสมมุติอย่างคนที่ฟังธรรมด้วยคิดเรื่องอื่นอยู่ด้วยก็จะฟังธรรมอยู่เข้าใจสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะพระนนเนี่ยได้ยินคําที่พระพุทธเจ้าตรัสหมดเลยหูได้ยินจําได้แต่ใจไม่ได้คิดตามซึ่งปกติเนี่ยพระนนจะเป็นคนที่ใไขครวนเรียกว่าทรง สรงกระแสจิตตามธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่วันนั้นเนี่ยด้วยอนุภาพของมารมานเนี่ยแสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งพระนนเนี่ยวัวแต่ใส่ใจในเรื่องอารมณ์ที่มารแสดงก็เลยไม่ได้กราบทูลคือไม่ได้ไข่ครวญถึงว่าพระพุทธพจน์อันนี้พระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก่ตนก็เลยไม่ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าคือควรที่จะกราบทูลใช่ไหมแต่นี้ดันไม่ได้กราบทูล ถ้าถ้าพระนรจะกราบทูลต้องกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคตเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดเพราะอะไรเพราะการดำรงอยู่ของพระองค์เนี่ยนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก พันธะพระองค์อยู่ตราบเท่าใดเนี่ยนะมหาชนจํานวนมากจะได้รับความเกื้อกูลเนี่ยนะโดยท่วนกันถ้าพระองค์อยู่ดํารงนานในโลกเท่าใดความสุขก็จะมีแก่ชนจํานวนมากถ้าพระองค์ดํารงอยู่ในโลกเพียงใดพระองค์ก็ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของชนเป็นจํานวนมากพันธ์ขอให้พระองค์เนี่ยอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็คื<ข>อ<ข>อยู่เพื่อพระนิพพานให้สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้พระนิพพาน ขอพระองค์อยู่เพื่อเกื้อกูลให้เขาได้อริยมรรคเพื่อความสุขในพระสมาบัติแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ท่านก็ไม่ได้ขอคําเหล่านี้ไม่ได้อาราธนาเลยทีนี้เมื่อท่านนิ่งคือได้ยินอ่ะนะได้ยินอ่ะกระว่าเคยพูดให้คนที่เขาคิดเรื่องอื่นอยู่ไหมให้คนที่เขาสนใจเรื่องอื่นฟังไหมหูเขาได้ยิน่ะแต่เขาไม่ได้สนใจ อย่างเช่นอ่ะก็สักแตว่าฟังให้คนที่ฝ่ายพูดพูดให้จบจบไปไม่ได้คิดว่าไอ้คำที่พูดนี่มันมีสาระขนาดไหนดีขนาดไหนมีประโยชน์ขนาดไหนเพราะมัวแต่สนใจเรื่องอื่นฉันใดผู้ที่ฟังธรรมก็ฉันนั้นเนี่ยก็จะคล้ายพระอนุน์พื้นฐานจะเป็นคนฉลาดฉเฉลียวขนาดไหนมีสติมีปัญญามีความรู้ความสา ม, มารถถอดได้ทุกคําตามที่พูดแสดงแต่ถ้าไม่ไม่ใส่ใจในเนื้อหา ไม่ปรารถนาจะรู้ยิ่งในเนื้อหานะไม่ต้องการจะรับรู้เนื้อหาไม่ต้องการจะตรัสรู้เนื้อหาเขาก็ไม่ได้ตรัสรู้เขาก็จะไม่เข้าใจายอย่างเนี่ยเรื่องเนี้ยถือว่าพระนรนท์เนี่ยท่านท่านเสียหายมากกันนะสำหรับตัวท่านโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าพระมหากรสปะท่านยังยกเรื่องนี้ขึ้นปรับอาบัติท่านพระนนลในคราวปรถมสังขยาด้วยซ้าไปว่าทาไมท่านไม่ไม่อาราธนาพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นความผิดของท่านท่านทำไม่ดีเพราะท่านต้องแสดงคืนว่าท่านทำพลาดเป็นข้อเสียหายเป็นข้อเสียหายประจําตัวพระอนนท์พระมหากระสปะเนี่ยท่านพูดตรงนั้นเลยนยกขึ้นมาบอกว่าทุกกตังทุกกฎเนี่ยท่านต้องท่านได้ต้องเรื่องในที่ที่ไม่ดีเพราะปกติเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสขนาดเนี่ยต้องอาราธนาต้องขอร้องต้องเชื้อเชิญแต่นี่ท่านไม่ขอร้องไม่อาราธนา ไม่กราบทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้พระองค์ดํารงอยู่ตลอดกับอันนี้ชื่อว่าเป็นความผิดของท่านพระนนทก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะมานสิงอยู่ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะได้ยินจําได้หมดถ้าพระนนท์จำไม่ได้แล้วใครจะมาเล่าล่ะตรงนี้ถ้าพระนนท์จำได้หมดแหละแต่ว่าไม่เข้าใจใครควรเรื่องที่พระองค์ตรัสไม่ได้เมื่อตรัสไม่ได้ตั้งสิ่งที่ควรทําก็ก็ทําหมดนะ เคยอ่านหนังสือไหมเห็นแต่ตัวหนังสือเต็มหากกระดาษไปหมดแต่ไม่รู้เรื่องราวในหนังสือเป็นอย่างไรชันใดผู้ที่ฟังคําก็ฉะนั้นบางทีก็ได้ยินหมดทุกคําอ่ะนะหูก็ได้ยินเสียงแต่ว่าใจก็ไม่ได้คิดตามไม่ได้คล้อยตามพระนนก็ฉะ น, นั้นเมื่อไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้อราธนาพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ย้ําเป็นครั้งที่สองอีกสแสดงเหมือนกันอีกอ น, นะพระนนก็นิ่งอีก แม้ครั้งที่สามอีกพระองค์ก็ได้ตรัส ก, กับท่านท่านอนครั้งที่สามดังนี้แล้วว่าดูก่อนอนุนนครเวสาลีเนี่ยเป็นที่รื่นรมอุเทนเจดีก็เป็นที่รื่นรมโคตมะกะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสัตตมภะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปหุปุตตะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสารันทะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปาวานเจดีก็เป็นที่รื่นรมดูก่อนอนนุน ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญอิทธิบาทสี่ทำให้มากทำให้เป็นประหนึ่งยานทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งตั้งไวเง้เนืองอบรมแล้วปรารพด้วยดีโดยชอบผู้นั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับนะอนุภาพของอิทธิบาตอิทธิบาตนั้นเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากสา ม, มารถที่จะทาให้ผู้เจริญเนี่ยดรงอยู่ได้ ดูก่อนอนนต์ตถาคตแลได้เจริญอิทธิบาทสี่แล้วได้กระทําให้มากแล้วตถาคตได้ทําให้เป็นประหนึ่งยานทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งอาศัยแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วดูก่อนอนนต์ตถาคตนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากับดังนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทํำนิมิตหยาบทรงทำโอภาหยาบอย่างนี้แล ท่านพระนนท์ก็มิสามารถจะกระอะ่ก็มิสามารถจะรู้เนื้อความได้เพราะมาเนี่ยนะได้แท้งทำอารมณท์ที่ท่านทำให้พระนนท์คิดไม่ได้คิดไม่ออกก็เลยไม่ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดารงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคตเจ้าจงดารงอยู่ตลอดกับเถิดเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจานวนมาก เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนจํานวนมากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เนี่ยนะไม่ได้อาราธนาเลยเนี่ยนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกท่านนนะนะคือตรัสเรียกท่านท่านน แล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสรับสั่งต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์เธอจงไปบัดนี้เธอจงสำคัญกาและอันสมควรเถิดบอกได้เวลาไปแล้วะนะเปิดเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตั้งสามครั้งนะแต่พ้าอนนท์ก็ไม่เข้าใจนี้ตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพระ อ, องค์ตรัสเช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าอนนท์ไม่ได้อาราธนาหรอกเพราะมาเนี่ยแสดงอารมอย่างอื่นอยู่ บอกพระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้เนี่ยนะคนที่โศกที่สุดสําหรับการปรินิพานของพระองค์คือพระนนทเพราะพระนนท์นั้นมีเป็นผู้ที่มีความรักมีความผูกพันในพระพุทธเจ้ามากเลยนะอัจฉะศรัทธาของท่านก็ดีแล้วคือท่านเป็นคนที่เจริญพุทธานุสติตลอดเนี่ยนะเมื่ออยู่ด้วยพุทธานุสติเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตแล้วพระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยเสื่อมสลายไปจากโลกเลยเนี่ย องค์พระตถ า, าคตดับขันธปรินิพานเนี่ยพระนรนจะเสียใจขนาดไหนเหมือนอย่างว่าแบบอะไรนะเหมือนเคยอยู่บ้านชั้นดีบ้านชั้นเลิศแล้วเลย อ, อยู่บ้านถูกไฟไหม้หรือไม่ก็เคยใช้แสงสว่างมาตลอดใช่ไหมแล้วไฟดับอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตกใจเป็นธรรมดาคนที่จะตกใจมากที่สุดคือพระนรนมันพระองค์ก็เลยบอกทำยังไงให้พระนรนเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นจะได้โศกน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อยไอโศกเนี่โศกอยู่แล้วละทํำยังไงท่านก็ไม่เลิกโศกเพราะว่า ท่านไม่ได้ตรัสรู้อนาคามิมากพอที่จะดับความโศกท่า น, นก็ต้องโศกทีนี้วิธีแก้ที่จะให้คนเนี่ยไม่โศกเนี่ยทำยังไงวิธีแก้ของพระพุทธเจ้าให้พระอนุนเนี่ยโศกน้อยหน่อยสมมติถ้าร้อเอร์ท่านก็โศกสกักยีเปเซก็พอแล้ววิธีแก้ลดความโศกของพระอนุนก็คือบอกว่าพระบอกว่าเราให้โอกาสแก่เธอแล้วแต่เธอไม่ขอโอกาสเราเอง เพราะฉะนั้นถามว่าความผิดเนี่ยของพระพุทธเจ้าหรือของของพระนนก็บอกก็ของตนสิ